พระเจ้าตัดหมายว่าการเสวยอารมณ์นี่นะการเสรวยโดยการรู้ทั่วอย่างนี้ว่าใครเสวยนี่ฉันตั้งประเด็นถามในเวทนานุปัสนานะใครเสวยการเสวยของใครเพราะเหตุไจรจึงเสวยเอาละสิเพราะสุขเวทนาเกิดขึ้นเขาประเสวยฐอารมณ์ใช่ไหมถ้าถามบอกว่าใครเสวยใช่ไหมในสังสารวัฏที่ผ่านมาเราจะตอบผิดเราจะตอบว่าเราเสวยเวทนาะ ใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ยินคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกสวยสุขเวทนาอยู่ก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาอยู่ก็จริงคําว่าเรานี่เป็นบัญญัติเพื่อให้สื่อเข้าไปให้วิจัยให้ชัดไหมเราในคํานี้นะเพราะท่านถามบอกว่าท่านตอบเลยว่าือนับเวทเวท ย, วทยติเนี่ยใครเสวยเนี่ยความว่าไม่ใช่ใครสวยไม่ใช่สัตว์เสวย ไม่ใช่บุคคลเสวยนะ <_ K _' i> จะไปบอกว่าใครก็ไม่ได้จะว่าสัตว์ก็ไม่ได้จะว่าบุคคลหรือเราเสวยก็ไม่ได้ที่ <ue> ถามว่าก <_' o> สศเวทนาการเสวยของใคร <_' o> ไม่ใช่การเสวยของสัตรรรว์ไม่ใช่การเสวยของบุคคล <_' o> ไม่ใช่การเสวยของเราหรือของใครทั้งนั้น <_' o> ไม่ใช่เลย <_' o> ใช่ไหมใครเสวยก็ไม่ใช่การเสวยเป็นของใครก็ไม่ใช่ คำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่บ่งบอกว่าถามสัตว์บุคคลทีนี้ประการต่อมาว่ากินกรณาเวทนาเพราะเหตุไรจึงสวยเนี่ยท่านที่จริงนะในคำถามที่1ในคำถามที่สองเนี่ยท่านวิจัยนามรูปปริเฉทยานชัดเล ย, ยาตัดปริญญาของท่านในข้อแรกๆที่ท่านเห็ยนด้วยความเป็นเวทนาเป็นผู้เสวยการสวยสวยสุขสวยทุกสวยเวขาเนั้นเป็นเรื่องของเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคล เห็นไหมท่านเห็นโดยความเป็นเวทนาขันแล้วก็เห็นโดยความเป็นวิมีธรรมมที่เกิดร่วมกับเวทนาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแปลว่าท่านแยกเห็นโดยความเป็นนามรูปชัดเจนหมดแล้วพอมาบอกว่ากินกรนาเวทนาเพราะเหตุลายเจงเสวยก็เพราะว่ามีวัตถุอารมณ์จึงมีการเสวยเพราะมีวัตถุมีอารมณ์จึงมีการเสวยเป็นต้นก็แปลว่าอะไรให้สังเกต ด, ดูนะเวทนาจะเกิดได้ เวทนาต้องอาศัยวัตถุไหมถ้าจากักขูสัมผัสสชาเวทนาอาศัยวัตถุอะไรอาศัยจากขูวัตถุเห็นไมอ๋อต้องมีวัตถุแล้วจักขูสัมผัสเชวะชาเวทนาที่เกิดร่วมกับจกักขุญยาณเสวยอะไรเสวยรูปอารมณ์ใช่ไหมเออเพราะมีอารมณ์ไงรูปอารมณ์ไงเพราะมีวัตถุคือจกักขูวัตถุไงการเสวยจะมีได้เอาเลยมีเขาเชื่อมโยงปจยัจจัเยเห็นอะไรไหมอันนี้เป็นกลางขาวิจารณาวิสุธทธิ เป็นปัจจยบริขายานรู้ปัจจัยแล้วเขาไปวิจัยปัจจัยแล้วเห็นไหมอันนี้ท่านยกมาแค่นี้เนี่ยจริงๆแล้วต้องกระจายปัจจัยมากกว่านี้น่ต้องกระจายปัจจัยมากกว่านี้นี่จะได้เข้าใจโอ้ยนอกจากไม่ใช่สัตว์บุคคลเสวยไม่พอแม้การเสวยอารมณ์ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเลยรอยยังต้องอาศัยเหตุปัจจัยมาจากเหตุปัจจัยจริงๆด้วยใช่ไหมโอ้มาจากเหตุปัจจัยก็คือว่ามีอารมณะปัจจัยมีอารมณะปุเรชาตปัจจัย มีอารัมมณพุเรชาตัดทีปัจจัยมีอารัมมณพุเรชาตาวิคตาปัจจัยโอ้โหเหนะหมโออารมณ์คือรูปารมณ์นั้นกําลังเกิดขึ้นตั้งอยู่เนาะยังไม่ดับไปจึงเป็นปัจจัยแต่จากขูสัมผัสชาเวทนาเออยังมีอยู่ยังไม่ปราศจากไปเนาะเป็นต้นเหล่านี้แล้วเกิดก่อนเนี่ยนะแล้วก็เป็นอารัมณปัจจัยแก่จากขูดสัมผัสชาเวทนน์เนี่ยตัวเวทนาจึงเข้าไปเสวยเนาะสัตว์โลกทั้งหลายสําคัญผิดหมดเลยอ่ะ แม่เมื่อวานนี้ไปกินอาหารอร่อยอร่อยเริ่มชัดแล้วมาเทียบเคียงแล้วแม่เมื่อเมื่อวานนี้ไปกินอาหารใช้ไม่ได้เลยเนี่ยนะทุกทับแย่เลยเนี่ยนะกินก็งั้นๆันเลยเฉยเก็แล้วแต่เรารู้นะท่านคนนี้เข้าใจผิดโอ้ไม่ต่างจากเด็กนอนแ บ, บ, บะเบาคนนั้นแหละที่กินนมแม่เริ่มเปรียบเทียบได้ไหมชีวิตจริงเราเปรียบเทียบได้ไหม เนี่ยไม่รู้แต่ความเป็นจริงเป็นอย่างนี้อ๋อสัตว์ที่มืดบอดเป็นอย่างนี้ไม่รู้จากเหตุปัจจัยของเวทนะอ้าวถ้าใจกรูพุ่งในสังสารวัตเราเป็นแบบนี้จริงจริงใช่ไหมทีนี้ไม่ไม่พอเนาะอาศัยวัตถุคือจักขูวัตถุในจักขูวัตถุเนี่ยนะปุเรชาตปจนะัจจัยเนาะวัตถุปุเรชาตปจนะัจจัยไหมเป็นวัตถุ ด, ด้วยเกิดก่อนด้วยนะนะเป็นอาศัยกับจักรพญานวัตถุปุเรชาตตาตาทีไหมวัตถุปุเรชาตานิสยามไหม เกิก่อนด้วยเป็นวัตถุด้วยเป็นที่อาศาัยกายจากขุจากขุสัมผัสชาวเวทนาเนาะเป็นวัตถุปุเรชาตะตัถิวัตถุปุเรชาตวิชิตะเป็นต้นอันนี้ไหมเป็นวัตถุปุเรเป็นเป็นปุเรชาตินทริยะด้วยใช่ไหมเป็นอินทรีย์ด้วยเป็นจากขุนรีย่แล้วก็จะเห็นอ้นีงไงปัจจัยของเขาอันนี้อันนี้เอาในปัจจุบันก็เห็นแล้วใช่ไหมเห็นโอ้จากขูยย่วิญญาจากขุสัมผัสชาวเวทนาเนี่ย จะเกิดขึ้นมาได้อาศัยปัจจัยมากมายแล้วตัวทีนี้ทีนี้พอเริ่มเห็นตัวนี้อะเวทนาตัวเนี้ยพระพุทธเจ้าไม่ใช่เห็นปัจจัยปัจจุบันอย่างเดียวเท่านั้นเนาะปัจจัยอดีตอาวิชาตันหากรมท่านเชื่อมโยงอาวิชาตันหากรำเลยทีนี้อาอทาไมต้องเชื่อมโยงอย่าลืมนะการเห็นโดยความเป็นนามรูปการเห็นโดยความเป็นปัจจัยการประชุมตรแต่งเกิดขึ้นในลักษณะเนี้ยความละโดยความสัตว์บุคคลต่างๆก็จะคลายตัว ผู้สร้างก็จะไม่มีแล้วการเกิดขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุไม่มีผลก็จะจะไม่มีนะเนี่เสียงสะท้อนไหมเสียงสะท้อนมัน้งได้ปรับเสียงสะท้อนไหมเนี่ยชัดเนี่ย น, นี่ตรงเนี้ยนะถ้าเราเออ น, นี่ไม่เออเห็นไม่หายสะท้อนแล้วพอพอเป็นในลักษณะนี้ก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นอย่างนี้ชัดแล้วพอความเข้าใจอย่างนี้ก็เรียกว่าการเห็นโดยปัจจัยการเห็นปัจจัยทั้งในอดีตและเห็นปัจจัยในปัจจุบันพบด้วย พอเห็นปัจจัยในอดีตแปลว่าอะไรแปลว่าในอดีต ก, การเรามีใช่ไหมเราได้มีมาหรือหนอหนีละได้เลยความกังขาตรงนี้ละได้หรือเราไม่เคยมีมาหนอเนี่ยเขาเรียก่าความสงสัยสิบหกประการเข้าใจยังในกังขาวิจารณวิสุทธิที่ละได้อ่ะเขาละได้ด้วยการเชื่อมโยงเห็นปัจจัยแบบนี้นี่มันขาดในความเข้าใจใขาดความเห็นว่ามีมีหรือไม่มีต่างๆมันหายมันถูกปัญญาเข้าไปไก่เกลี่ยโมหะขาดสะบั้น ตัวตัววิจิตรช้าก็ขาดความลังเลสงสัยขาดความเนื่องช้าก็ขาดจะลืมนะไอ้ความลังเลสงสยัเ ย, นะงเสงสยเนี่ยเป็นเหตุของความประมาทและความเนื่องชา้าต้องไปดูในในคัมภีจุลนิเทศหรือในมหาดิเทศนะที่ท่านสอนอาชีตามานพเหมือนนะไปดูทีคนเราที่ไม่กล้าลงมือปฏิบัติเพราะยังความสงสยัยอยู่นี่แหละใช่ไหมามลังเลลังเลอยู่นี่ย ยังมีสงสัยอยู่ไหมโอ้ยถ้าไม่สงสัยบัต น, นี้เล่งเต็มสปีรีดมากกว่านี้แล้วใช่ไหมเพราะไอ้เพราะเหมือนกันแต่ต้องไปไล่คลอง<ะ>ต้องให้ไล่คลองแต่เหมือนกันแต่คล้ายกันดีกว่าคล้ายกันแต่ปัจจัยนั้นก็เปลี่ยนแปลงสภาพไปแล้วคนละกรรมนะรรมคนละกรรมไม่ใช่กรรมเดียวกันนะและคนละอวิชานะและคนละตัณหาเนะ่ที่ปัจจัยคนละปัจจัยเลยนะแต่แปลว่า คงสร้างคล้ายกันแต่เหตุปัจจัยเกิดไม่เหมือนแต่ต่างกันปัจจัยคนละตัวแต่โคร ง, งสร้างเหตุปัจจัยนี้มาจากคล้ายกันคล้ายขึ้นกันทีนี้พอพอเข้าใจในลักษณะนิยเบียเศษเขาเรียกว่าเชื่อมโยงโดยปัจจัยเพราะเห็นโดยปัจจัยเบียเศษอย่างนี้เขาเรียปกปรัชญาปริฆายานหรือว่าทางข่าววิทยาวิสุทธิเริ่มชัดเจนขึ้นพอเริ่มชัดเจนขึ้นหนักเข้าสูงไปกว่านั้นหน่อยท่านพิจารณาเห็นด้วยความไม่ที่ มาปัจจุบันนี้เราไปเห็นไม่เที่ยงก่อนใช่มอาจารย์่อาจารย์ขึ้นไปต้องไล่าลากไปเจอใครช่วยลากลงมาหน่อยอปล่อยลงมาลงมาจารย์ออิบายนี้รงสฮะตรงเนี้ยอาจารย์อายนปเกันอาจารย์อธิบาย้ทีนี้ก็คือว่าเวทนานี่นะเวทนาที่เราศึกษาเรื่องเวทนาอยู่ใช่ไหมเวทนาเกิดทั้งจากภุทวานเป็นต้นเนี่ยตัวเวทนาเนี่ยเป็นเวทนาขัน ในกายานุปัสนาที่เราเรียนกันอยู่นีแต่ตัวเวทนาขันจะเกิดขึ้นมาลอยๆไม่ได้เป็นนามธรรมาอันนี้คือ น, นามงั้นเวทนาขันเนี่ยเขาะะเกิดร่วมกับสัญญาขันเกิดร่วมกับสังขารและขันเกิดร่วมกับวิญญาณขันเขาเรียกนามขันสี่นามขันสี่เหล่า น, นี้อาศัยอาศัยอะไรอาศัยขัตติยวัตถุเป็นต้นนี่ยเป็นไปอยู่ถ้าเกิดในจักขุทวาลก<อ>็อาศัยจักขุทวาลถ้าเกิดทางมโนทวารก็อาศัยขัตติยวัตถุเป็นต้นนี้เป็นไปอยู่ สรุปก็คือว่าความเป็นไปของรูปนามเหล่านี้กําลังดําเนินไปอยู่ไม่ขาดสายนี่เขาเรียกว่าสังสาระเขาเรียกสังสารโรติประวัติจินั่นแหละถ้าหากว่าเราศึกษาในคําสอนตรงนี้เราไปเชื่อมโยงในคัมภีวิสุทธิมตรตนะในคัมพีวิสุทธิมตรตเนี่ยท่านจะพูดถึงในเรื่องของการที่บอกว่าความเป็นไปไม่ขาดสายของสังสาระของสังสารวัฏเนี่ยนะ เขาเรียกว่าขันยัจจนาธาที่กําลังเป็นไปอยู่เนี่ย <S <S เขาเรียกว่าอะไรการหมุนไปของขันาธ า, ายัจจนาสั จ, จไม่ขาดสายอันนั้นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสังสารวัตรเนี่ยหรือว่าสังสาระักมันเดินแล้วสังสาระจักมันเดินตรงนี้นะนี่แหละเขาเรียกสังสาระักมันเดินเดินไปในลักษณะอย่างนี้ก็คือการเป็นไปของปัจจัยนั่นเองถา้ารูปประขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ไหมถ้าบอกว่า ตัวจักขูว่าถุเป็นรูปขันใช่ไม่ใช่ตัวเวทนาจักขูสมัมผัสชาวเวทนาในนั้นมีสัญญาไม่มีมีสังขารไม่มีมีตัววิญญาณที่จักขู่วิญญาณไม่มีนี่คือน้ำขันน้ำขันอาศัยอะไรอา้จักขู่ทจักขุทวานนี่นะเขาอาศัจักขู่ประสาทไอ้จักขู่ประสาทเป็นรูปขันสรุปก็คือความเป็นไปของขันห้ากําลังดําเนินไปอยู่ตามจักขุทวนันนี่เขาเรียกขันเดินไปอยู่ใช่ไหมขันกําลังเกิดดับเป็นไปอยู่ทีนี้นี่มองโดยขัน ก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลแท้แท้จริงก็คือรูปกระขนเวทนาสัญญาสังขารมิญาณถ้าว่าโดยอัจยะนะตัวจักรคู่ประสาทเป็นจักขวาอัจฉระใช่ไหมตัวรูปอารมณ์เป็นรูปาย์อัจฉะตัวจักรคูวิญญาณเป็นมนายัจฉะตัวเวทนาสัญญาสังขารมิญารเป็นธรรมายัตนะเห็นไหมตัวจักรคู่สัมผัสเสชาเวทนาเป็นธรรมายัตนริยะอยู่นี่เป็นธรรมายัตนะเห็นไหมเป็นธรรมายัตนรนั่นเด่ ท่านมองในความเป็นอายตนะก็ได้ถ้าสัจจะตัดสู้เพราะฟังอายตนะพุทธเจ้จะบอกอายตนะถ้าสัจจะตัดสู้เพราะธาตุพระองค์จะบอกว่าธาตุใช่ไหมจากขุย ญ, ญาณธาตุคือจากขุย ญ, ญาณสัญญาเวทนาสังขารที่เกิดร่วมกับจากขุย ญ, ญาณธาตุเป็นธรรมธาตุพุทธเจ้ ก, ก็บอกตัวเวทนาเป็นธรรมธาตุปารลรูปธาตุอาศัยจากขุธาตุเห็นไหมจะพูดอย่างนี้เลยบอกอ๋อแท้ที่จริงก็คือว่าขันอายตนะธาตุ กำลังดำเนินไปอยู่เห็นไหมนั่นจะาสตร์จะตัดสรุปเพราะฟังขันห้าผู้เจ้าตัดขันห้าถ้าจะตัดสรุปเพราะอายตนะพระองค์บอกอายตนะแค่จะตัดสรุปเพราะธาตุผู้องค์บอกธาตุถ้าอเห็งไหมแล้วก็ประชุมลงอริยสัจบอกว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเป็นจักขวาเยตนะเห็นไหมจะเป็นจักขุจะเป็นมนาเยตนะจะเป็นธรรมายตนะจะเป็นจักขู่ธาตุจะเป็น จากครูญาณธาตุหรือธรรมธาตุแท้ที่จริงสิ่งเหล่านี้ก็คือทุกข์สัต์ก็คือทุกข์สัตว์ทุกข์สัตว์เธอควรทํกรทากิจอะไรกําหนดรู้คือรอบรู้ไงกำหนดรู้ยังไงกับรูปกําหนด ร, ร, ร, รู้ด้วยความเป็นนิทุกไป ว, กวิจัยทุกไงไปวิจัยทุกเอาวิจัยยังไงทำยาตัปริญญาว่านี่คือรูปนี่คือนามยังไงเอาวิจัยความเป็นทุกแม้เธอไปวิจัย ด, ด้วยความเป็นรูปเป็นนามเป็นต้นเธอก็ต้องรู้นะว่าชื่อด้วย ไม่ใช่ไม่รู้ว่าคือมีเขาเรียกจะขู่ใช่ไหมก็ต้องรู้ถ้าถ้านึกบอกว่าโลกียะปฏิเวทยานะไม่ลุ่มหลงในปรมาตัยและบัญญัติในขณะปัตทังก็ประหารเพราะจะเป็นปัจจัยจะโลกุตตระปฏิเวทยานเพื่อจะละความลุ่มหลงได้อย่างเด็ดขาดในปรมาตัยและบัญญัติในขณะหึงมากโอ้เห็นแล้วนะทีนี้นะมันเชื่อมโยงอย่างนี้จริงๆคือการวิจัยนั้นเพื่อไม่เพื่อจะได้ไม่เป็นที่ตั้งของกิเลสเพราะกิเลสฉลาดเยอะ เขาวิจัยอย่างนี้มองมุมไหนเอาสิจะมองในแง่ของไม่เที่ยงเอาเขาไม่เที่ยงกิเลสก็หมดหมดความหวังใช่ไหมใช่ไหมถ้าจะไปมองว่าเออไม่เที่ยงใช่ไหมกิเลสมันชอบของเที่ยงเนี่ยตัณหาเป็นต้นเราเนี่ย น, นะตัณหามันชอบของเที่ยงพอพิจารณาวิจัยออกไปยึดออกปัจจัยปัจจัยก็ไม่เที่ยงเอาแล้วผลของปัจจัยจะเที่ยงแต่ที่ไหนเอาใช่ไเหตุก็ไม่เที่ยงผลก็ไม่เที่ยงเหตุเป็นทุกข์ผลก็เป็นทุกข์เหตุเป็นอนัตตาผลเป็นอนัตตาเอากิเลสมดโอกาส เอเห็ดไม่งามเนาะผลก็ไม่งามโอ้โหจะถ่ายที่พึ่งไม่ได้แล้วเป็นโรคเป็นหัวผีปัจัยเป็นโรคเป็นหัวผีนี่ตัวผลของเขาก็เป็นโรคเป็นหัวผีฟอร์มเันนี้ตันหาพอรู้อย่างนี้ตันหาฟอร์ปัญญาก็เปล่งเบ่งบานเนาะโอ้พุทโธไป็นี้เองใช่ไหมพุทโธเป็นอย่างนี้แหละ สังขารมาประชุมกันแตคงไม่ได้คุณนมันอยู่เรื<ต>่อยอาจารย์จทิ้พวกเราไว่ได้แล้วทีนี้จะได้ไปเอาสังขารมาประชุมกัน ท, ทีนี้พอพอพอท่านวิจัยในลักษณะนี้ใช่ไหมทีนี้พอเห็นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ใช่ไหม<ต>อพอเห็นโดยความไม่เที่ยงเขละอะไรละนี้แก้สัญญาคือความสําคัญหมายว่าเที่ยงได้ถ้าเห็นโดยความเป็นทุกข์ละสุขสัญญาคือความสําคัญหมายว่า เป็นสุขได้ถ้าเห็นโดยความเป็นอนัตตากละอัตตสัญญาความสําคัญหมายว่าเป็นตัวเป็นตนได้ไหมได้ด้วยใช่ไหมเพอเห็นเห็นโดยพอเบือนนายเบื่อนายแล้วคลายกําหนังไห ม, มเป็นอย่างนี้ก็ในที่สุดก็พอเห็นแบบนี้ไปเสร็จใจก็จะน้อมก็หานิสรณะนะคือพระนิพพานตลอดเวลานั้นใจของท่านเนี่ยท่านถึงอุปมาเหมือนกับบุรุษเดินทางกันดานเนะย เดินทางกาดานหิวมากก็มีบุรุษคนนึงหน้าตาสดชื่นเดินผ่านมาก็ถามท่านทั้งท่านท่านเดินมาข้างหน้ามีสารน้ำไหมมีโอ้ข้าพเจ้าอาบรื่สบายแล้วเตรียมท่านไปเถอะไปทางนี้เดี๋ยวก็ถึงนั้นบุรุษคนนี้ถามว่าเขาจะไม่เศร้าสร้อยง้องห๋อยเลยเมื่อเขาเห็นทุกใช่ไหมแล้วเขาประสบชาติทุกชราทุกเขาไม่ง้องอ๋อยเลยเพราะเขามีนิสระนะวิเวกเป็นอธัธยาศัย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 ที่เขาบอกว่าเนี่ยเขาจะมีการราชาวพิเศษแล้วไปดูเอาตนเองเป็นคนง้อยเปี้ยเสียขาทพิกลพิการจบเลยไม่ได้ไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสจะตัดสู้ตามประธรรมของพระพูทธมีพระเจ้าใช่ไหมถ้างั้นก็แปลว่าจบเลยเราไม่ใช่อ่ะใช่ไหมเราต้องสําคัญตอนว่าเออเนี่ยเราเนี่ยใช่ไหมเป็นสาวกของท่านใช่ไหมแล้วเราไม่ได้มุ่งหวังอภิสิทายาถ้าบวชเข้ามาไม่ใช่มุ่งหวังอภิสิทายาใช่ไหม ไม่ใช่เป็นโอ้โจะได้มากินดีอ่ะได้มาหอมยีวอนเรยสวยเดินอวดคนอื่นจะมาไม่น เ, นเอาหรอกจะมาหรือว่าใยคือยู่กับติ่งงามๆหรือว่าอยู่อยู่อย่างสะดวกสบายมีชื่อเสียงไม่เอาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่ อ, อามิสธาญาตไม่ได้ไม่มีประโยชน์นนสุดก็จมอยู่ในห้วงของวัตถทุกจะมาเราต้องน้อมตอนเองนี่เป็นธรรมทายาทได้รับมรดกห่งธรรมของพระเจ้าใช่มไหมต้องตั้งอัธยาศัยอย่างนั้น ถ้ไม่ตั้งอย่างนั้นยุ่งเลยทุกลมหายใจเขาออกตังตั้งหมท้องตั้งเลยนะตั้งตั้งอัจฉริยะใสาเขาไว้มีเป็นไปลักษณะอย่างนี้นั้นเวลาเขาไข้ควรนรืพิจารณาเบ็ดเสร็จก็จะน้อมน้อมนิสสรณวิเวศเป็นอัจฉริยะถ้าน้อมอย่างนี้นะฉะนั้นอาศัยแต่ทางเขาวิเวศหรือแต่ทางเขาประหารน้อมก็หาอะไรนิสสรณวิเวศหรือนิสสระนาประหารหมายถึงพระนิพพานก็จะน้อมเชื่อม ก, กันอย่างนี้ เหมือนบุรุษเดินทางกันดารนี่แหละมีคนบอกว่าข้างหน้ามีสาดน้ํำนี่แหละความหวังเกิดนี่ก็เหมือนกันเราเดินทางกันดานนะพบเนี่ยฉาบกันดานชรากันดานพยาธิกันดานโยมกันดารไหมมรณะกันดานความโศกกับกันดานปริเทวะกันดานใช่ไหมความล่ำไรลําพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจมีเป็นความกำดานที่กันดานเหล่านี้มันโผลเข้ามาในกระแสขันรุ่นสัตว์โลกยาวงานแล้วแต่เราไม่ก็เห็นใช่ไหม มันกันดานมากเลยนะเราโดนโถมทับเข้ามาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยอาตมาอยู่ท้องไร่ท้องนาอาตมาก็นึกเนี้ยโอ้โหคนเขารวยเลยเนี่ยแต่เขามีความสุขใช่ไหมเนี่ยอาตมาตอนนั้นยังเด็กๆอยู่นะที่บ้านก็ขายข้าวโพดขายข้าวเลยเนี่ยนะอาตมาก็บอกโอ้โหยมีคนก็นั่งรถมามีคนก็เลี้ยงทอกแก่เนะี่ยอาตมาก็อยากจะดูไยความเป็นทอแก่สบายขนาดไหนอาตมาก็ไปดูความช่างคิดเนี่ยนะ เออมาเดียวก็ไปดูดูเขาอีกแล้วก็มาเบสเซิลอ๋อคนคนนี้เขาเรียกทุกแกมารับซื้อข่าวรับซื้ออะไรต่างนัง่งรถอะไรต่างมาเนี่ยนะนี่เอามาก็ไปเบสเร็จก็ไปคุยกับพ่อตอนนั้นยังเด็กๆอีกเนี้ยนะอายุสักเจ็ดปดขวบเนี่ยนะจะบอกไอก้ขอติดรถเข้าไปหน่อยได้ไหมไอ้ในใจคิดอะไรรู้ไหมอยากไปดูที่บ้านว่าเขาอยู่สะดวกสบายยังไงว่าคนรวยอยู่ยังไงคนจนอยู่ไงจะได้คิดว่าเขาสุขไหม เพราะทำไมเนี่ยตื่นไอวาจำความได้เนี่ยชอบไปนอนอยู่อยู่ไอท้องว่าไอท้องปอกคองฟางอ่ะแล้วก็ดูดาวดูเดือนเนี่นะดูดวงจันทร์ลอยมาเอามาก็ถามตัวเองเนี่ยเรามาจากไหนเนี่ยแล้วชีวิตมันจะไปไงเนี่ยมันถามไงนะมันถามมันหาหนทางอะไรมันต้องรู้ไม่ใจมันเหรออยู่ไม่ใจมันทุกทำไมมันทุกเขาว่าสุกสุในบ้านเหม็นสุกอะไรเงี้ยนะ ใช่ก็นั่งคิดมองก็ดูแต่ดงจันทร์ดวงเดือนอยู่นั่นแหละพ่อก็ชอบมาด่าอยู่เรื่อยว่าหาไปมองอะไรก็ไม่รู้เอาก็เป็นปมองไปนอนอยู่กับรองปางนะกันเนอะก็หันมองทีนี้ก็ก็ตามตามเข้าไปนี่นะตามเขาเข้ามาที่แถวเข้ามาทีใ่ในตัวจังหวัดมาอยู่บ้านอยู่อยู่ในป่าเนี่นะมาที่ตัวจังหวัดก็เขาก็บอกไอ้หนู ก, กินข้าวกินอะไรมาก็ไปดูเออเขามาเขาทะเลาะเบาแหวงกันนะ ว่ากันงงแง่งงองแง่งล้วระหว่างสามีภรรยาบ้างอะไรบ้างมันก็ว่าแล้นี่สุก อ, อะไรเนี่ยใช่ไหมเอ๊ะ ม, มันมันมันไม่ใช่สุกอย่างเราคิดเนาะก็มาพิจารณาอีกทีแล้วก็มันมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาไปซื้อนี่พอเขาไปเนี่ยพอเขาไปกลับไปซื้อกลับข้าวไปซื้ออะไรต่างๆนี้กลับไปหาซื้อเขพูดซื้ออะไรก็ไปเคขาไปแต่คนนี้ก็ต้องแก่แล้วแก่ไฟไ ป, เ, ปเสร็จ แต่นี้กลับไม่ทันก็เป็นนอนอามาก็ลุกขึ้นมาไอ้ดูคนรวยก็นอนนอนอยังไงอามาก็ไปดูนะสังเกต ด, ดูไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่ใช่ที่หวังแต่ก่อยเรามาเรื่องรวยนี่ไม่ยากหรอกอามาคิดแต่เด็กๆไงนะที่ไม่เห็นจะยากอะไรเลยถ้าซื้อขายกันแบบนี้ใช่ไหมามาไปต่อรองเขาเลยบอกบอกยมพ่อนีไม่ยากเลยเรื่องเรื่องถามมีตังค์ไม่เห็นต้องมาเหนื่อยอย่างนี้เลยถามแบบทำไงอเอกยมพ่อบอกว่าไม่ยากหรอกจะนีงไง เขาไปซื้อเนี่ยตามก็ไปดูแล้วเขาซื้อของเราไปเนี่ยถังหนึ่งประมาณ25บาทก็ไปขาย30กว่าบาททุนได้กันเยอะแยะใช่ไหมเขาไปเลยในทิศในโรงสีเลยในท่าเรือเนี่ยใช่ไหมแถวแถวแม่น้ำํำต่างก็จะมีโรงรับต่างอู้มันต่างกันเยอะแยะไม่ซื้อ20บาทไปขายเกือบจะ40บาทเราเหนื่อยแทบตายป้อมีเนยากเลยเเราไม่มีตังค์เลยพ่อเออลูกมีมีตังค์แล้วก็ขอกินส่วนหยามก็ได้เยอะแยะหมดใช่ไหม ถ้าเรารู้จักหมวดนี้ยงพ่อรู้จักคนตั้งเยอะแยะในหมู่บ้านเนี้ยยงพ่อก็รับซื้อเองดีก็ขอขึ้นราคาขั้นหน่อยเนยถังไม่กี่บาทง่ายนิดเดียวเนี่ยแกบนั้นเลยเนี่ยนะอาจารย์หาเหตุหาผลมาวิจัยทีนี้ถึงบอกว่าปัญญาหาทรัพย์มันไม่ยากไงทรัพย์ข้างนอกเนี่ยแต่อริยทรัพย์ยากจำอยู่อริยทรัพย์เนี่ยมันยากกว่านั้นเยอะใช่ไหมทีนี้ก็มาพิจารณาอย่างนี้ก็โอ้ยนี่ไม่ใช่แนวทางเรานลยใากคิดตลอดได้ทั้ แต่ว่าไม่รู้คืออะไรไม่รู้คืออะไรนี่นะใจนะี่มันฝังฝังแน่นแต่ไม่สบายใจไปดูเขาแต่งงานก็ไปเพื่อนแต่งงานก็ไปนั่งดูใกล้จะบวชไปดูโอนสุขเป็นยังไงความอยากดูเนะี่ยโอปีนเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานไปแต่งไปทํำผมสมัยก่อนต้องไปทําผมไกลๆกลับนะมาไม่ยอมต้องมานอนคว่ำหน้าอีบอกเฮ้ยถามสกิปมั้ย มันทุกทรมานกันนะตลาดเนี่ต้องมายุ่งอยู่กับผมเนี่ยนะชีวิตเนี่ยนะมันมันมันมันทุกข์ใช่ไหมแต่มองแต่พอแล้วมันไม่เคยได้รับความสุขความทุกข์มันบิบขั้นย่างพอพอสงสัยถ้เป็นฆราวาสกันบ้างบ้างเพราะมันไม่มีทางออกอ่ะใช่ไหแตพ่พอมาบวชเข้าเนี่ยมันโล่งอ่ะวเออนี่ใช่แล้วพอพอมีพอมีความรู้สึกวันนี้ผมนี่ยนะ พราผมทะลุเงี้นะมีความสึกว่าใช่แล้วยังไม่รู้อะไรเป็นอะไรเนะียเหนียวใช่แล้วก็ว่าเห็นว่ามันจะว่าใช่แล้วแต่นี้ก็มีความส่งมาเนงะั้น่ยพอจะศึกษาตีหลงคิดหลงทางไปเยอะผู้ทําสิ่งที่ไม่ควรมาก็เยอะนะีบวชมานี่ทําตัวเป็นอาจารย์สอนกรรมฐาน ม, มาก็เยอะเห็นไหมเพราะบาที่รู้ด้วยความรวดเร็วที่เราเรียนเนี่ยแล้วก็ไปคิดอย่างเร็วเลยใช่ไหมเข้าใจไปเรียนรู้กับเข้ามาไม่เร็วก็ไม่นานก็เอามาสอน ยังบอกว่าคำสอนพระเจ้านี่ต้องระวังเพราะว่าเป็นคําสอนของคนมีปัญญาเนี่ยใช่ไหมงั้นต้องไข้ควรต้อพิจารณาให้ชัดถ้าตรงนี้ถ้าหากวพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นยังไถ้าอย่างนี้เริ่มเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมว่าถ้าเห็นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนิสรณวิเวกจะเกิดน้องก็หานิสรณวิเวกตรงนี้นี่แหละเขาเรียกว่าอาศัยต่ทางค้าววิเวกโดยต่ทางค้าประหารโดยประหารน ก, กิจแล้วก็ น้อมหานิสระนาวิเวกใช่ไหมโดยอัจชาสยะถามว่าตอนนั้นอะสามารถสัมผัสพระนิพพานโดยอารมณ์หรืยังอกยังเลยแต่ด้วยการที่ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาดีแล้วก็มีสาระมีที่พึ่ ง, ท, งทั้งทั้งที่เห็นไพรหมดเลยใช่ไหมพิจารณาไปที่ไหนอะก็มีภัยรอบได้านถามว่ามีขันไหนบางที่ไม่เป็นที่ตั้งของชาวติทุกชะาทุกมาแล้ะแล้วใช่ที่พึ่งไหมไม่ใช่เลย ตาหูจมูกเล่นกายใจไม่ใช่สาระะไม่ใช่ที่พึ่งใช่ไหมผมคนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกของเราไม่ใช่ที่พึ่งบางทีลูกบอกแม่แม่แม่ต้องเป็นที่พึ่งแม่กับลูกนะแล้วเราก็ถูกแม่สอนมาอย่างนี้แล้วเราก็เข้าใจว่าแม่พ่อเป็นที่พึ่งกับเราใช่ไหมใช่จริงใช่ไหมไม่ใช่หรอกนั้นวงจรการ ถ, าถ่ายทอดความรู้ทางเนี้ยมันผิดมาเราต้องยอมรับข้อที่จริงว่ามันผิด ถ้าใครเคยยอมรับความจริงไหมไ ν, ว่าจริงๆเราสอนผิดถ้าสอนผิดจริงๆแล้วเราก็ถูกสอนมาตีผิดนะใช่ไหมลูกขยันกินนะโตขึ้นจะสบายเนะี่ยเอากินเอากินเอาก็รี ansa, รบ เ, เร่งสอนเขาเดี๋ยวเรียนจบจะสบายใช่ไหมเรียนจบแบบเสร็จแล้วแต่งงานจะสบายใช่ไหมแต่งงานแล้วมีลูกจะสบายมีลู ก, ล, กลูกเข้าเรียนจะสบายลูกเรียนจบจะสบายลูกแต่งงานจะสบายลูกมีลูกแล้วก็จะจะสบายใช่ไหมมีหลานจะสบายเนี่ยสบายสบายลองคิดเลย ถ้าถูกสอนมาแบบนี้นั่นมันผิดไงเข้าใจอย่างนี้มันผิดใช่ไหมมันเลยเป็นวงจรผิดมาอย่างยาวนานเลยเราไม่เข้าใจความจริงของชีวิตว่าจริงๆมันไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่หรอกอันมาสงสัยแต่เป็นคารวะแล้วยอสสบายยังไงสบายยังไงมาเลานเล่นเล่วมาตลอดไม่ใช่อันมาปฏิเสธหรอกแต่ใช่ล้าตอบก็ไม่ได้ไงเพาสิ่งที่มันใช่มันหาไม่ได้ตอนนั้นันหาไม่ได้ ใช่ตอนนี้ได้แนละ้วอันนั้นคือที่เราต้องเปลี่ยนแปลงช่วยกันนะที่คือนะเอางี้ว่ามันเป็นตั้งหลายร้อยศตรวรรษแล้วมันไม่ใช่เรื่องเปลี่ยนวันเดียวได้แน่นอนที่จะให้เขาเข้าใจชีวิตที่นี้เราลองย้อนย้อนหลังไปดูชีวิตของอริยะเจ้าทั้งหลายนะเออลองย้อนหลังแล้วเราจะเข้าใจชัดอาตมาเนี่ยไปอินเดียเนี่ยอาตมาไม่ได้ไปแค่อินเดียอินเดียอาตมาคิดคิดทั้งในคําสอนคิดทั้งสภาพ คิดอะไรถูกเวลาไปที่เชตาวันก็ดีไปที่เวลูกวันก็ดีไปที่ชิวากาอัมพวันเป็นต้นหรือไปในสถานที่ต่างๆที่จักรวรรดิมศาสดาเคยนําพระธรรมคําสอนพระเจ้าไปนี่ไอ้มาภาพเก่ามันเกิดขึ้นในใจไอ้มาไอ้บรรยากาศในใจมันเกิดโครงสร้างบรรยากาศในใจมันเกิดความเห็นพระอริยะทั้งหลายที่เป็นบุรุชนเออข้อไปที่เป็นคราวาสเนเยอะต้องเคิดดูที่พระเจ้าเทศนา ทานนักถาศีนกคาถาสักขาคาถ า, คากามาธินวัตถาเนคข ม, มานิสังสักาคาถาแล้วสรุปลงด้วยอริยสัจสคือทุกสมุทัยที่รดมาพระเจ้าพิมพิสารพร้อมได้บริวารสิบเอนหุดคือ11บเอ็ดหมื่นที่ได้บรรลุกลุ่มนั้นไม่ได้บวชเลยแล้วคาราวาตในเชตวันเป็นต้นเหล่านี้เจ็โ ก, โกโดนีนะบรรลุเป็นพระอริยะบุคคลเนี่ยห้าโกดโกดละสิบล้านห้าโกดก็คือห้าสิบล้าน ประชากรห้สิบล้านเนี่ยฟังเทศกันไม่เท่าไร่บรรลุท่าระยะเต็มค้าขายทําการงานเต็มไปหมดนั้นท่าริยะเขาไม่ได้คิดแบบพวกเราอย่างเงี้ยเขาไม่ได้คิดบอกสบายสบายสบายอย่างนี้หรอกเขาเข้าใจวงจรของชีวิตเขาวงเขาเข้าใจวงจรของปฏิจา ա เขาเข้าใจวงจรของขันระยะตนท่าที่มันดาเนินไปเขาเข้าใจสัตว์บุคคลเขาเข้าใจชีวิตของเขาในการที่เขาจะเลี้ยงชีพอย่างอริยะชน ้สังคมของเขาจึงเป็นสังคมอีกสังคมหนึ่งนคนละสังคมกับเราเขายายไหมเขาไม่ใช่สังคมวิชาทีฏฐิเขาเป็นสังคมสมัยทิฏฐิแล้วมีพระธเจ้าเป็นสารณาชัดเจนข้าลงก็ก็เข้าวัดฟังธรรมเขาชลาเข้ายายไหมบรรยากาศมันคนละบรรยากาศกันแต่ความรู้สึกตรงนั้นน่ะเราศึกษาเขาทำคําสอนมันต้องเชื่อมโยงให้ชัดให้เห็นให้เห็นภาพเหล่านั้นออกมาให้ได้ น่นาจะมาไปฝันภาพอย่างนั้นมากกว่าจะไฝปฝันเห็นภาพอย่างนี้เพราะอะใช่มถ้าภาพอย่างนั้น <c oughs> น, นบรรยากาศต่า ง, างกันอย่างนี้โดยสิ้นเชิงไหถ้าอันนี้ไม่ใช่ใช่ใชไหมแต่ภาพของท่านไปจะเป็นอีกมุมหนึ่งนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้วิถีชีวิตความคิดของท่านจึงไม่ถึงจากทางต่าง่า ง, างาเราโดยชัดเจนถ้าพระที่บวชเข้ามาเนี่ยนอกจากจะพระเจ้าหรือสาวกของพระเจ้าทั้งหลายคอยเกื้อกูลแล้วเนี่ยญาติโยมบาส อ, อุบาสิกาทั้งหลายลูกก็ทําวิใดบ่อย ทุกวันนี้ถ้าสมมติอาตมาจะเดินไปไหนอถามว่าอาตมาจะหากระยาธรรมิทธที่รู้ว่าทําวินัยเนี่ยคอที่ทําไมอาตมาหยุดประกาศคําสอนไม่ไ ม, ไม่ไม่สอนประดมมันมากนี Questo ่จะทําพอยิ่งหยุดไปยิ่งหยุดมาเนี่ยีนะ่จริงในความเดือดร้อนอาตมาเดือดร้อนก่อนเนี่ยนคนไม่รู้ธรรมวินยัยแวดล้อมมากขึ้นอาตมาเดือดร้อนไหมเดือดร้อนมากอยู่ไม่ได้นีเ่เราอยู่ไม่ได้เลยเนี่ยต้องลุกออกมาประกาศพระธรรม พอประกาศพระธรรมพคนรู้พระธรรมวินัยก็มันจะทําให้เราอยู่สะดวกขึ้ น, นตัดใจแรกคืออาตมาได้อยู่สะดวกขึ้นเข้าใจใช่ไหมพอได้อยู่กับคนที่รู้พระธรรมนี่เป็นความสุขนะถ้ามีกลุ่มสัมมาที่ถี่ทั้งหลายนี่รู้พระธรรมวินัยใช่ไหมเข้าใจพระธรรมคำสอนเออได้สนธนาใช่ไหมเราหลีกเล่นได้เข้าสนธนาไปที่ไหนพอจะเจอหน้าคนนั้นคนนี้ได้บ้างใช่ไหม พอจะเป็นกัญยาณนิมิตแก่กันและกันได้เราติดขัดบังประการล้วก็สอบถามกัอนดและกันมีกันแต่ถ้าไม่ลุกมาประกาศพระธรรมเลยสิ่งที่เป็นคำสอนพระเจ้าก็จะหายจมไปใช่ไหมสิ่งที่เป็นอาธรรมแลัวินัยอาวินัยอาธรรมะก็จะขึ้นมาครอบงาเต็มไปหมดเนี้ยเราไม่ได้แล้วนั่นส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็คือว่าชีวิตที่เหลืออยู่ก็าจะประกาศพระธรรมสักระยะหนึ่งแล้วก็จะหยุดแค่นั้นเองนั่นคือความตั้งใจนี่นคือความตั้งใจว่าเออทํากิจใช่ไหม บ้างไม่ใช่อยู่โดยไม่ทํากิจรอย่างเนี่ยนะก็ก็จะทํากิจในการประ ก, กาศพระธรรมพระสอนพระเจา้าแต่ว่าก็ก็มีจังหวะเวลาอยู่นะเพรนะงั้งก็มาญาติหนึ่งก็ก็ต้องหยุดเพราะว่าชีวิตก็ต้องมีการเลือกลาอยู่แล้วใช่ไหมถึงไม่เลือกถึงไม่หยุดเดี๋ยวเขาให้เราอยุดเองเจ <c oughs> ้าพระยาก็เลยบอกเออทีนี้ปัญหาคือว่าตรงนี้นี่นะบอกว่ากาสาเวทนาการเสวยเป็นของขายจริงก็ตรงนี้สําคัญก็คือว่ากิงกาณนาเวทนาเพราะเหตุไรจึงเสวยเนี่ย เพราะมีวัตถุแล้วก็มีอารมณ์นะจะมีการเสวยเป็นต้นเพราะเหตุนั้น่ะเขารู้ชัดอยู่อย่างเนี้ยเวทนานั่นเองเสวยเพราะทําวัตถุแห่งความสุขเป็นต้นนั้นนะให้เป็นอารมณ์ใช่ไหมก็หมายความบอกว่าไอ้ตัววัตถุที่จะเป็นปัจจัยแก่สุขเวทนาก็มีนะยกตัวอย่างเช่นว่ากุศลรกรรมในอดีตใช่ไหมมีส่วนไหมกุศลกรรมในอดีตเป็นปัจจัยให้ได้รับเสวยสุขเวทนา เราก็เรามาสังเกตดูเนาชีวิตของคนบางคนขาขึ้นเนี่ยอันนี้จำขาขึ้นชัดมากบอกอ๋อกุศลกรรมของเขาตัวกุศลกรรมกำลังผลิตวิบากให้ผลโอ้โหบางคนก็อยู่ในขาขึ้นเลยนะทําอะไรประกอบอาชีพการงานใช่ไหมทีนี้แล้วอย่าลืมนะว่าถ้าเราเห็นกุตัวกุศลกรรมแม้ของเราก็เหมือนกันเวลาเราจเริญวิปัสสนาเนี่ยถ้าเราจเจริญถูกจเจริญสมถะหรือวิปัสสนานี่ยนะเวลาเราจเริญถูกเนี่ย ถ้าเป็นอันนี้จังขาขึ้นนะทางพระธรรมรับสอนราะว่าศีลสมาธิปัญญามันเริ่มเข้มข้นขึ้นใช่ไหมตัวเวทนามันชัดยกตัวอย่างเช่นว่าปราโมด์มันได้ใช่ไหมปีติปัสสติความสุขสมาธิเองไหมตัวเวทนายิ่งปราณนี่ไปเรื่อยๆไนหะปราณีไปเรื่อยๆแล้วจะรู้ชัดตามความเป็นจริงเป็นต้น ลองคิดดูที่ทักเวทนาในในมหากุศลเวทนาในรูปกุศลและเวทนาในรูปเวทนาในมรรคจิตผลจิตยิ่งประนนิบนี่ไงคือคือสภาพของเวทนาที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยฉะนั้นเวทนาใจอาลัตทะมักอาลัสผลเนี่ยเวทนาเหล่านั้นเป็นเวทนาขันที่เชื่อมโยงอุปการลมรคผลเป็นธรรมที่เกื้อหนุนมรคผลเนะ เป็นอารมณ์ของสมเป็นอารมณ์ของเป็นอารมณ์ของสติสัพชัญญาของปัญญาด้วยของความเพียรของอริยมรดคด้วยนะและตัวอริยมรดิตอดีตัวโพธิปักธิยธรรมก็ดีมาวิจัยเวทนามีสติเป็นตัวระลึกนะตัวความเพียรก็คือประคับประคองนะและปัญญาก็ไปวิจัยสุขเวทนาทุกเวทนาหรือทุกขมสุขเวทนาไปต่อเหรอเนี้ยนะ วิจัยจนเห็นรู้เหตุเกิดความดับเป็นต้นอสสาท า, าอาทีนาวานิสรณะของเวทนาเป็นต้นเหล่าเนี้ยนะไล่ไปตามลําดับจนรอบรู้เวทนาถ้าแทงตลอดระยะสัตว์นะอะไรว่าในที่สุดจริงๆจะเข้าถึงการดับเวทนาได้อย่างเท่าว น, นใช่ไหมแล้วเราก็จะไม่สวยเวทนาต่อไปอีกในทุกภพอย่าลืมนะว่าเวทนาเนี่ยถ้าเราเวทนาในอบายภูมิเราก็สร้างไว้แล้วอย่างมากมายใช่ไหมเวทนาที่เป็นอบายสัตว์ทั้งหลาย ถามว่าเราเคยทํากรรมอะไรบางที่หนักหนักในสังสารวัตรไม่เคยทํากรรมอยู่ก็คือมรรคกรรมเท่านั้นส่วนกรรมที่เป็นเอาโหัวศีกรรมไปแล้วก็คือพวกมหาคตกรรมที่เป็นฝ่ายของรูปากุศลกับอรูปากุศลใช่ไหมฉะนั้นตัวกรรมเหล่านั้นะเวทนาเหล่านั้นเราไม่ได้แล้วเพียงได้อุปนิสัยปัจจัยอยู่ส่วนในทางด้านของจะเป็นในด้านของการให้ผลไม่ได้แล้ว แต่เวทนาในการเป็นมนุษย์เทวดาอีกเพียบที่เคยทําไว้เวทนาเหล่านี้มีตัณหามนติที่ผูกรับลึงอยู่แต่เวทนาที่น่ากลัวสุด ก, ก็คือเวทนาในอบายภูมิการเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายเป็นเปรตเป็นสัตว์ประหลาดซึ่งเวทนาเหล่านี้รอโอกาสในการผลิตวิบากอยู่ใช่ไหมเราจะดับเวทนาเหล่านี้ถาวรได้นะที่ไหนที่อรลาจามัตเราจะดับเวทนาในบายภูมิได้นะที่ไหนที่โสดาปิมัต เราจะดับเวทนาในกามภูมิได้ที่ไหนที่ในอนณาคาร ม, มัชถึงไหมเราจะดับเวทนาอย่างถาวรในอาล h a t ร a คเท่านั้นเขามองเห็นใช่ไหมเนี่ยถ้าเราเข้าใจชัดอย่างนี้เบ็เสร็จเนี่ยก็จะไปปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายคลายกาหนัดเพื่อเป็นปัจจัยการดับเวทนาโดยแท้นั้นการรอบรู้เวทนานั้นต้องรอบรู้เวทนาเพื่อเป็นปัจจัยการดับเวทนานะใช่ไม่ใช่ถ้าไม่สามารถดับเวทนาได้เวทนาก็กาเริก เวทนาก็กำเริกอีกพระเจ้าตัดสรุปพระเจ้าประการเลยใช่ไหมบอกมาดูก่อนในช่างเรือนนะเราเห็นเจ้าแล้วในช่างเรือนคืออะไรสมุทัยสัจจคือตัะหาใช่ไหมพระเจ้าบอกว่าเราสแสวงหาเจ้าเนี่ยยี่สิบอสมขายยิ่ยงด้วยแสนมหากับบัดนี้เราพบเจ้าแล้วแต่ว่าอะไรคํำนี้คืออะไรอ่ะใครตอบคานี้ได้ไหม บัตรนี้เราพบเจ้าแล้วอะไรคือพบอใครตอบได้เอ้าสมุทัยะเอใครตอบได้ราะว่าไงท่านอาจารย์แปวาท่านจร้างิดต่อไปไม่ได้อาจารย์เยรู้แต่ว่าท่านจะสร้างิดต่อไปไม่ได้แล้วเห็นไหมเพราะเราสวดกันมาบ่อยเ ช, ชื่อว่านทะี่จะมาดูก่อนนายช่างผู้สร้างเรือนเนี่ยบันี้เราพบนั้นคาว่าเราพบนนแปลว่าบัตรนี้เราได้สัมมาสัมโพธิญาณแล้วใช่ไหม เราได้สัมมาสัมโพธิญาณแล้วนั้าสัมมาสัมโพธิญาณต่างหากมาค้นท่านเจอต่อไปนี้ท่านจะสร้างเรือนคืออัตภาพใช่ไหมอัตภาพก็คือจะสร้างขันห้าจะสร้างอายตนะสิบสองจะสร้างท่าสิบแปดของเราไม่ได้อีกต่อไปแล้วโค้งเรือนคือกิเลสทั้งหลายนะั้นเราลืมหมดแล้ว ยอดเรือนคือช่อฟ้ารู้จักช่อฟ้าไหมรู้จักไหมช่อฟ้าคืออาวิชาเราหักลงมาทิ้งแล้วคือปันคืออาวิชาเราหักยอดใช่ไหมนี่ไงใช่ไหมนี่พระพุทธเจ้าเนี่ยค้นเจอได้ด้วยตนเองนี่ไงสัมมาสัมพุทธะแต่สรู้ได้ด้วยตนเองแล้วก็ประกาศบอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารนิญาณของท่านจะไม่กำเริบเลย ใช่ไหมที่เวลาสวดอะไรนะยาทาปิโมเรอนุปตะเวดันเฮชินโนปิรุโคปุนาเรวารุหาตีเนวันปิกานหานิสเยอนุหาเตมิพาเตตุกามีทังปุนาปุนณยาสาชะตังสติโสตา มานาปะสาวานาภูสะมหาวหันที่ทุดทิพิงสั้งกปปาราธมิสิตาใช่ไพระพุทธเจา้าบอกว่าตัณหาเนี่ยคือสภาพของตัณหาเหมือนเทววันตัดแล้วมันแตกตัดแล้วมันแตกใช่ไหมบัด น, นี้ท่านถอนลากนยถ้าต้องการจะกําจัดเทาวันนะต้องขุดเข้าไปถอนกระทั้งรากแล้วเนี่ยตัดมันให้ไม่เหลือเชือ้อใช่ไหม มันจะได้ไม่ขึ้นอีกต่อไป